เมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไป สู่ความเป็นอปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุ ข, ขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกเกิดอยู่ที่กาย ถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปลากรวจ่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมาคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่ สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไร เป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเถย อ, อยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่ ติตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไร เป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินกิสมุทายะธรร ม, มังทรัพพันตังนิโรธาธรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณทัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติ สัจจะธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณทัญญะรู้อย่างนี้ สมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำ ที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเห็นจะพิจารณาพระไตรลักษณอนิจจทุกขังอนัตตาก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอาวารลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา อันนี้เป็นวิปัสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับในเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบ ในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิเจตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเจตรู้อะไรขึ้นมา จิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของ ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทําจิตระเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา แต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นได้สิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานอย่างละเอียด เมื่อเจตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อเจตแท้งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตเจตก็จะย่อม เ, อเจตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าเจต ขนสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกําหนดรู้เอาตอนไหนเพราเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติเราจะกําหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมาฐานอันนี้จิตไม่ได้กําหนด เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีผ้าครบบริบูรณ์แล้วจิตจริงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะ ก, กีเนี้ นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสสรุ้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจากกัปวัตนสูตรจริงได้แต่เพียงว่ายังจินจิสมุทญยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้ นอกจากจตจตธอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วติดจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในคันนี้เกิดจากอะไร เกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศีลปริภาวิตูสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังสูสมาธิปริพาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริพาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสวหิวิมุตติ ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามาสุขขันธ์ไดกานุโยกถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตะกิลมัตฐานุโยกถ้าจะดูในแง่ตันหา ถ้ายินดีก็การมัตันหาถ้าติดก็ภวะตันหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวะตันหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย ไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังกินจิตสมุทยยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่ ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังไม่ีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดและทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของคามนั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติ ทีนใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิด ถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิดในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้ว ไปมีความสงบนิ่งเด่นอยู่แม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดักพุทธาคือผู้รู้พูทธาคือผู้ตื่นพุท่าคือผู้เบิกบานจะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสะแห่งอารมณ์ตัดกระแสะแห่งกิเลส ให้ขาดสิ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุท ธ, ธปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุท ธ, ธปลากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกัน เมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพพธโธธรรมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรมเป็นธรรมดวงเดียวที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติ นี่คือภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกียธรรมก็อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตตระคือโสดามะสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักรูกปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ โพธิสําเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเล็สม่าเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึง แม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออแม้ในสมัยพุทธกาลเราพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะ ว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคล น, นั้นมีความเสมอกัน ภูมิจิตที่สามารถทําอาสะวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันเราจะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเรา บางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากระโภรทมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้แต่หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญัตได้ โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแกแต่ตำหรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้ ละอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะไปถือพวกถือพักถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธธ ร, รรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูเพราะสาวกที่เผยแผ่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ อดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพักถือพวกถือละทิ่แห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังสอดแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นนพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทาน บางทีขณะนี้โจมตีขณะโน้ขนขณะโน้นโจมตีขณะ น, นี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดี เป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ่วงจับด้วยคำพูดหยาบคายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวจ่วงจาบด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาป คนทำเิดเราด่าก็บาปคนทำเิดเราตำเนกก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำเนกเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรากล่าวคำหยาบผลสวาจายะเวรมณีเพดมันเป็นอกุศลกรมมบุตรเป็นวจีทุจริย ในเมื่อวัจเจีของเรายังหยาบยังทุจริศอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระหวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏเึ้ื่อนภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสาคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสําคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสําคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางกลางมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้าง เราจะดันขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพักถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่เรายังจะมาถืออาหารมามการ์มังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีภกมีพูดมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกาหนดติดออกจากสมาธิแล้วพักผ่อน ถามใหม่อีกทีลกได้ต่อเมื่อเรากำหนดที่เจรนาดูตั้งแต่ต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดทูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์ เรื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหม มีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีหนึง่งว่าอะไรมันเกิดขึ้น ความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เดวกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบ ก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็าตามลืมตาก็าตามให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดกับกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพับกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติ จะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกําลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเราโลทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมาน ความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลล่นกายใจสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกเกิดวุ่นวายขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้แต่นึกคิดในใจเรามีจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายค่ะมีอาการอย่างนั้นกแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไป ถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดติดภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรล้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้ท่นนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อย เอออะไรก็ได้ฮมันเกิดสำรักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือเอน้ําลายที่มันจะสําลักค่ะมันจะสําลักถ้าไม่เกินกระพุนทิ้งเสียทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหาย อันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปเนื้ว่าปวดน้อปวดน้อปวดน้อปวดน้ออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกาย ถ้ามีอาการอย่างนั้นแ ก, แก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกำหนดติดภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อย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 ถ้าหากสามารถที่จะ <c oughs> ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทําแล้วมันจะหายปวดเพราะจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกาย ส่วนอุเบกขาเวทนานั่นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ <c oughs> ไอเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นราวโพธเจ้าสอนว่า คนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยบนฐานเพลิงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจรารณา เมื่อเราค้นเคสพิจารณาเจ็ดมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกเกิดจากไหนสุกเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกไหมทำอย่างนั้นมันสุกไหมอะไรทํานองนี้มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้ดอกกิเลส อาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทําละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองลองลอ ง, ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีลห้าข้อเอาปฏิบัติตามศีล ในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการดื่มกินสุราเมรยัยงดเว้นจากการทำสี่ข้อเป็นอัลละกิเลสทางกายนีเว้นจากพูดโปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้เอเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลศทางวาจาละได้แต่กายกับวาจา แต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียว แม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฐานนั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเรา ในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีล ส, าสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลส แล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสพจิตเป็นจิตรปนะจิตเป็นสติรลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาจมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตหรือเปล่าเวทนานั่นมันก็มี อาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มี สติก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จ แต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกเิ่นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทห้าคือประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทเาต้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีหลืคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้เคิดเลื่อยเปลื่ยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิก สตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการแท่งพินิษในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมา สติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเทนอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกขัดเพ่ง <c oughs> เพ่ง <c oughs> เทียนเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็แล้วแต่ ในเมนจิตมีเครื่องโลดจิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมนจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกะสินก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เป่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ เช่นอย่างพวกหมอมนวิชาสยาศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต่อดกเป็นต้นถาลาพังแต่เนึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันต่อกันต่อกันมันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีเพึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้น อย่างที่เรามาหัดภาวนาเนี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบ ด, ดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูด เมื่อเจตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าเจตมันไม่ยอมรับ มันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ก็ไปค้นฟ้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปฟังไปฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันเจตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นฟ้าของมันเองต่างหาก โดยไม่สนใจกับคําพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคําพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมๆไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูม่มของเขาหลักวิชาเศรศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้ แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษลาใสาก็เก่งในวิชาต่อกระดุก <c oughs> ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาเสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบนนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้ ความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาเสยศาสตร์ในคราวจำเป็น mm hmm. เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิสาชาเสยศาสตร์ mm hmm. อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิต อันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจเปล่าอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าศสยศาสตร์ เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนโอ้นุยังโอ้หนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระเนี่ยสาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนเรื่อกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิต เป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในาศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบ่นก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพธโตพธโตพธโตพธโตพธโธแล้วเราขอว่าเออภาวนาพธิทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้อะไรจะทำรองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ วาพระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งทั้งคุตธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกําหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติ หรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่กลมหึงน้ำจิตต้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแท น, นใดๆทั้งสิน้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วน เราเราทําความรู้สึกของเราทฤษฎีศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมันมันเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอายุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมห า, เ, าเรียนพวกสเสน่ห์มหานิยมอา้าวเรียนสเสน่ห์มหานิยม พระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัชานวิชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัชานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกําหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลแลธรรมไม่มีศีลห้าทำอย่างไม่มีศีลห้าว่า ง, งั้นเถิดอย่างเรียนมอนอยากได้ลูกสาวใครก็เอา สีพึ่งประจิตเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงจะย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทาเยี่ยงสัตว์เอร็ดฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตำหนิฮะ ก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันครั้งหมดชอยัง <c oughs> อะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จะตาโรยถาปโตเอโกปโตอธิษฐานี เกิดขึ้นเมื่อท้ามหาราชทั้งสีเอาบาดสี่ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี่พระพุทธเจ้าจะทิฏฐานใช่ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระไยัยจึงเอาบาด ท, ทั้งสีนี่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็ทิฏฐานจิตว่าจะตาโลยถาปัโตเอโกปัโตอธิษฐานนบาดนี่มีสี่ใบเราทิฏฐานจิตเพื่อให้บาดนี่รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้สายสะ ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สําหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฉาและวิชาถึงนั้นเพราะฉะนั้น วิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ แต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยนอกอยากอ่านอกอยากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญ อยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนคว า, ามรู้สึกของเราให้เกิดคว า, ามกระตือรือรน้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลก คือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่ยความทเยอทยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคารวะผู้ครองเรือนถ้าคาววะหมดจยากโลกมันมันถ้าคาวแล้ว โลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเคือเรียก ว, ว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน เราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีลห้าข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าชอบโกง โดยเอาศีลนข้ออธินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองแด้เอกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าสึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่าน ในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดสมัยนั้นมีเพียงเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า <c oughs> คำสอนในทางพระพุทธศาสานาบางอย่างพระสงค์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนที่เกียรติงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นเล่นเข้าใจผิด คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตอนนี่มาไขาความอยู่ตอนนี้ ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะต่อวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเขตของศีลห้ากันแล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีลห้าข้อเนี่ยนอกจากจะจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นโอบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีลห้าบริบูรณ์ถ้าเรายึดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ ถ้าหากเราไม่แข่งในเศนห้าข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทําเพิ่มก็จะหนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทําทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทําแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไป การข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลังความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่อง่วงความดี มันก็บ่งชาติอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบนกระ บ, บากเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากัน เป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราสีดำไม่ใช่ราสีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์ มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆผู้เ <c> ฉ <oughs> พาะพหลักวิชาเป็นของกลางๆ ไม่ได้ทําให้คนหน้าดําหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทําให้คนต้องหน้าดําก็ใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทาง ม, มันก็เหมือนๆกันกับคนที่ทําความทั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดําอะไรทํานองนี้เหมือนตัดอ้าวจะถามอะไร บางเอิญมีอาจารย์ที่มนขลังอยู่นั่นองคหนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาธรรมจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดรพระพพธิโรก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลูกเศกของของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลูกเศกได้ที่แล้วของนั่นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงพังผงพังขึ้นมาก็มี ในสายโลกติดของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางผงผางขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมาก ใ่้เจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิถาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ย มันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดแม้เราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกๆเรามีสินเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจาแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละละเมิดสินขอนนั้ น, น, นอะไรที่เรา